เราฟังคาถาเรื่องบ้าหูเนี่ยเขถือว่าเป็นพุทธมนต์คำว่ามนต์เนี่ยหมายถึงมาคำสอนเป็นทิ้นเดียวกับคําว่าคถ า, านะแต่คาถาหรือคาถาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดนะเป็นคําพูดคําสอนของบุคคลผู้รู้ บังทีเขาก็ผูกลายแทงของสัจธรรมหมายสังวิธาปุกะลภยปะอาปามชุปะทีมะสังอังขุทิ้งความหมายเป็นเรื่องของตำหนักตำราหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของความรู้ที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับเพื่อความจำง่ายหรือเพื่ออะไรเนี่ยเป็นอย่างที่ว่าเป็นลายแทง ที่เราได้รู้จักเรื้อหาในนั้นเป็นไปนเพื่อโลกุตระและชี้แนวแห่งโลกุตระอันนใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อโลกอุตระและชี้แนวแห่งโลกสิ่งนั้นก็เป็นคาถาหรือจัดว่าเป็นเป็นคาถาแต่ไม่ใช่ความมุ่งหมายเพื่อคำหมั่เวทเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรประมาณนี้ยไม่ใช่ ที่เป็นคำสอนในอินเดียคุยกันเลยรู้เรื่องที่น่นแต่ทางเราเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องพรมคนละภาษานน้นเขาจึงผูกเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อว่าจะมีสักวันหนึ่งจะมีบุรุษอาชารยในผู้คงแก่เรียนผู้ไข่ต่อการศึกษาเนสามารถแกะรหัสอันนี้ออกได้ ยังคาถาพระหุษ์เนี่ยที่เราสวดเไยพระหุษ์สหัสสมภินิมิตาสาวุธัธนตังชยันตูพวกนี้ยเข้อหมายจริงๆก็คือเรื่องของก็เรียกว่าคาถาชนะมารคนแต่งขึ้นมาเพื่อสุจุดีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีชนะมารด้วยวิธีอะไรมัางใช้ชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือชนะกกิเลสมารของพระพุทธเจ้าเนี่ย ต่อสู้กับกิเลสถ้าปฏิบัติธรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นคือต่อสู้กับกิเลสแต่ทั้งโลกมารในหมายถึงที่จะแย่งเอาสิ่งของเขาแย่งเอาดินแดดประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมาแย่งเอาความรู้ความคิดแต่ละคนเขาผลิตอะไรได้มนุษย์นี่ยมันทําอะไรได้มันถือว่าเป็นของมันมันดูแลรักษาเอาไว้ยึดเป็นของตัว คือเป็นสิ่งของของกูนะเราถ้ามันจะหายก็หมายถึงการเบียดเบียนตัวเองออกจากสิ่งที่เขามีเขาเป็นนั่นนั้นเขาถือว่าเป็นมานสิ่งเหล่านั้นนะไม่แย่งเอาอะไรโดยย่อเขาแย่งเอารูปรถกลิ่นเสียงทรัพย์สมบัติเงินทองที่เขามีอะไรก็ตามที่ไม่ให้ได้อันนี้มาเขาเรียกเป็นมาน ที่ยิ่งเป็นพระโดยจำไปแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่คนเขาขนไหวยเข้าใจผิดนะอย่ากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อะไรมากว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปความจริงได้ไม่พ้นสุดท้ายคือไม่ได้ผลสุดท้ายคือมันไม่มีแต่พระพุทธเจ้าท่านหมายลึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นนั่นคือถือว่าเป็นคําสอน ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องมองให้ลึกแต่ลึกได้เมื่อไหร่เป็นอริยสัจถ้าตื้นๆก็ไม่ใช่เราสังเกตดูดิเวลาสวดไปเนี่ยมันแต่และตัวสวดก็ดีลึกก็ดีซึ่งคาถาพระหงษ์นี่ท่านทั้งหลายจะเข้าถึงบร ม, มสุขแล่เขาบอกจะเข้าถึงธรรมที่เรียกว่าบร ม, มสุขมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าถึงได้โดยธรรมชาติ แต่ต้องสามารถอ่านออก่ลายแทงนีงเขาชี้ไปทางไหนเขาที้ไปนูน่นที้ไปนี่เราดูให้ออกหมายถึงอะไรอย่างเขาบอกช้างที่ตกมันเราต้องสู้ด้วยเมตตาคือคนที่ดูร้ายของเราเนี่ยไลนมาไลน์ไปแต่พระพุทธเจ้าทขาไม่ได้คิดแบบนั้น ระลึกรู้อารมณ์ที่มันในลายปรากฏขึ้นกับจิตเราเนี่ยคือทุกอย่างนี้เกิดที่ใจนะไม่ใช่ที่คนข้างนอกคนนั้นทำลายเราคนนี้กโกรธเราคนนั้นเกลียดเราไม่ไม่เกี่ยวกันนะแต่จิตเราเองนี่มันคิดขึ้นมานั้นดูที่ใจเวลารวยก็ดีจนก็ดีเป็นความรู้สึกเฉยๆมันไม่ได้มีความจริงอยู่เลยนั่นแล้วก็มาเฝ้าดูกโกรธก็ดีเกลียดก็ดีรักชังนะ เป็นเรื่องของจิตเราโดยเฉพาะนะแค่บทเดียวนี้นะเราลองคิดดูดิเราต่อสู้กับอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังเห็นว่ามันมีคนอยู่ในโลกเนี่ยคนน้ำทําให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชังเนี่ยโอ้ยเราแย่เต็มทีกูไม่ชอบหน้าคนนั้นหว่ะเนี่ยเราเกลียดคนนี้เราชังคนนั้นเนี่ยถ้ายังมองข้างนอกมีตัวมีตน ม, มีคนอยู่เนี่ยแสดงว่าเราทําใจยังไม่ได้อ่อนพอ จิตเรามันไม่ดีพอที่จะเข้มแข็งเข้าสู่บทเรียนอันนั้นใจเรายังไม่เห็นคือคนไหนบอกคนไหนสอนเนี่ยใจเรานั่นแหละมันไม่ดีเราก็ฝึกใจเราให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นมาพัฒนาขึ้นมานะครับสังเกตดูดีเวลาเราชนะด้วยอาวุธเนี่ยจะสิ้นสุดด้วยความแค้นแต่ใช้ธรรมะ หรือสติชนะแทนนะสุดแสนสบายใจคือมองเข้ามาข้างในให้เห็นเมื่อโกโรธแล้วนี่ยเกลียดแล้วเนี่ยเนีจริงถ้าเป็นนักปฏิบัติทำเราเป็นญาติเป็นโยมเนี่ยไปดุด่าว่ากล่าวหรือกระทบกระทั่งกับญาติโยมที่เขามาทําบุญเนี่ยยิ่งแย่นะญาตโยมที่มาทําบุญอย่างเยี่เหลียวอย่างเนี้ยเยี่ยเหลียวเป็นคนศรัทธาเป็นคนซื่อนะใครไม่ดีเกลียวก็วไม่ดี แกเกลียจแกชังบางทีพราะความเพียรเขาน้อยแต่ถ้าความเพียรเขาเยอะเยอะก็ดีแต่ว่าเรื่องศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธานะเขาไม่มีครอบมีครม้มมีลูกมีเต้านะเนี่ยเขายังมาทําบุญทุกวันบางทีญาติโยมบางคนอาจจะไปงุนงิดให้เขานะไม่พอใจยังนี่านถามได้มาเนี่ยใครเลี้ยงถ้าไม่ใช่ยาเหลียวเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยใครเลี้ยงนะ่ะคือบางทีพอเรา มีความโกรธความชังเนี่ยแล้วจะมองแต่มุมเดียวมุมที่เราเห็นอย่างเดียวเอ๊ะทำไมอยู่มาตั้งนานทําไมมาพูดให้เก่าได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยคือเราเห็นแต่มุมนั้นอย่างเดียวถ้าเรามองถึงว่าแม่ออกถึงว่าแม่เป็นเหมือนแม่เนี่ยเราจะหาความโกรธไม่ได้เหมือนแม่เราแล้เขาเลี้ยงเราทุกวันทุกวันเนี่ยกว่าเขาจะหาข้าวปลาอาหารมาได้เขาก็เป็นโรคไัยไข้เจ็บโรคประจำตัวมีมากมายหลากหลาย แต่เราเนี่ยเห็นไหมพอปฏิบัติทำหน่อยมีโทสะมีความสรงพลัย ม, มีทิฏฐิมีมานะนี่จะโกรธคนนั้นจะเกลียดคนนี้นี่นะว่้กินบนบ้านขี่รถบนลังคาถ้าสมมติว่าใครสอนเราเขาบอกเราเขาแนะนำเราส่วนมากเราสังเกตเเดียเพราะเราทำไม่เหมาะสมไม่ดีเวลาเขาติจริงถือว่าดีที่สุดละ องตาเคยพูดว่าเอาถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะความดีของมันนั้นถ้าเราไม่อยากได้อะไรไม่ดีหายไปหมดเลยเรารักคนเนี้ยจะเห็นแต่แง่ดิมที่ดีะแง่ไม่ดีไม่เห็นของพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้มองให้เห็นว่าแง่ดีหรือไม่ดีอ่ะแต่มองให้เห็นสัจธรรมรักก็ดีชังก็ดีสัจธรรมก็คือความเสื่อมความเป็นอนัตตาปรากฏแต่เราก็มองไม่ออกอะเราไม่รู้หรอก ว่เป็นยังไงเพราะใจมันไม่ถึงไงฉั้นปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติลงไปเห็นแต่คนนั้นหน้าเกลียดเห็นแต่คนนี้หน้าชังอะไรอยู่มาเนี่ยเออจบพอดีชีวิตมึงะได้เท่านั้นแหละชีวิตเนี่ยได้สมมุติว่ากูเป็นนักปฏิบัติธรรมเห็นคนอื่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมเห็นคนอื่นเป็นในโน้นนี่ก็มองไม่ออกเห็นไหมเวลาเรารักอะไรเนี่ยสังเกตยมเนี่ยติดหมานี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เตี้หมาบอกอยังไงว่าจะเป็นเล่นเรื่องกับข้าวยจะไปเล่นเรื่องบนโต๊ะอะไรประมาณเนี้ยไม่ฟังหรอกจริงๆอตาตมาไม่อยากให้ยุ่งเรื่องกับข้าวปลาอาหารบนโต๊ะเนี่ยคือเราอิ่มแล้วอิ่มเลยจบไปเลยนะเราไม่ต้องพ่วงเอาหมามาเอาคนนั้นมาต้องเอากับข้าวไปให้คนนั้นต้องเอาอาหารไปให้คนนี้อย่าไปยุ่งนะชีวิตเราเนี่ยขอฝากปากไว้กับเขาคนเดียวนี้เราก็แทบตายละกับญาติกับโยมเขาเนี่ย เราเหมือนไปแย่งสิ่งของเขาอะพิสุสัมปเนิเถนทีทั้งหลายเนี่ยจุเหมือนกับกินข้าวล้วคือจบเลยไม่ต้องมีการสะสมเราไม่ต้องมีว่าคนเรารักสิ่งเรารักหมาเราลักอะไรไปยุ่งมันนะพอเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นปัญหาเกิดอะไรกิเลสทั้งหลายที่เรามีเนี่ยมันก็ออกไม่ได้สักที จิตเราก็ผูกพันมันแวบมาอยู่เลยพอแวบมาอยู่เลยเราเป็นคนไปหาข้าวไหมไม่ใช่เขาเอามาส่งเราเอา้าวกินข้าวเขาพอใจให้เรานะปฏิบัติทำกินดื่มถ้าเรากินอิ่มแล้วเนี่ยเราไม่ต้องหอบไปให้หมูให้หมาให้อะไรเลยไม่ต้องมีเมตตาเลยหมาพวกนี้เขาไม่ใช่หมาเราแล้วแตมันจะมาจะอยู่แล้วแต่ชาวบ้านเขาจะทานให้มันเท่าไหร่ ก็ทานแต่ของเราในบางทีไปแย่งเอาข้าวเขาเพื่อจะไปทานให้หมาเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมเวลาเราเขามาทําบุญเนี่ยเราไปแย่งข้าวเขามาใส่บาตร เ, เขารู้สึกไงถ้าเป็นเรามารู้สึกว่าไม่ใช่ของเราเนอะอันนี้ยิ่งหนักนะไปแย่งเอากับข้าวปลาอาหารที่เขาสําคัญมันหวายว่าเป็นของเขาอยู่ว่าเขาเอามาทานพระทานผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแย่งไปให้หมาเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเขาไม่ได้มีความเห็นดีด้วยเนี่ย แต่ลวงตาก็ดูมานานอา้าวกัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้คือเมื่อไหร่ที่เราจะอยู่แบบไม่มีตัวตนสักทีเมื่อไหร่ที่เราจะอยู่โดยรู้สึกว่าอืมเป็นคนที่น่ารักคนอื่นบอกได้สอนได้แนะนําได้คนอื่นอยากพูดจะคุยด้วยเวลาคนนั้นพูดด้วยคุยด้วยมีความเคารพนอบน้อมนะแต่ทำไมาดูบางทีทำไมาเดินผ่านไปเวลาเดินสวนกันเนี่ย เขาไม่มีคําว่านั่งไม่มีความรู้สึกว่าอ่อนน้อมอะไรลงไปเลยคือจะให้มันดีขึ้นไ ม, ไม่ดีขึ้นนะบางทีเอออจะมาให้โอกาสพูดคุยด้วยอันนั้นนี่บางทีมันมันมากเกินไปมันจนเหลืองแต่พอปล่อยวางเนี่ยหมดสภาพเลยทีแรกก็ดูดีเหมือนปฏิบัติทำก้าวหน้าได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่พฤติกรรมมันไม่ได้ดีขึ้นบางอันะ พอจะมาปล่อยทิ้งเนี่ยก็คือโง่ลงกว่าเดิมนั่นดีถึงทําความเพียรอย่างไงก็ตามถ้าครูบาอาจารย์ขาดการชี้แนะไมไ่เอาใจใส่ให้เนี่ยมันจะจบทันทีอมันจะไปได้ลําบากปฏิบัติธรรมเราต้องสังเกตดูว่าเฮ้ยเราไม่ดีตรงไหนอมันจะมีบกคร่องตรงไห น, นที่เขาไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากเอาใจใส่ไม่อยากบอกอยากสอนธรรมะกับเราเนี่ยเราต้องไปทบทวนนะพวกเนี้ย ตอนนี้บางทีม่อยู่ในนี่เอา้าตื่นดึกลูกเชา้าขยันกันแข็งดูเหมือนไม่ชี้เขาคนนั้นคนนี้เขามาอยู่อยู่ได้นานๆอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอยู่ได้ด้วยคุณธรรมเขาขยันกั น, ข น, กนแข็งคำนวนตัวนี้บางทีถ้าอตมาไม่อยู่เอา้าเริ่มละอยากมาก็มาทําสะอาดเลยไม่อยากมาก็ไม่ม า, ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอัเนี้ย ถาว่าคนอื่นศรัทธาเราไม่คนอื่นยินดีด้วยไหมกับการกระทําเราแล้วอยู่ตามความอยากเราไปวันวันเฉยเราอยากทําอะไรเราก็ทําไม่อยากทําอะไรก็ไม่ไม่ทําเราไม่ได้เหมือนน้ําไม่ได้เหมือนลมไม่ได้เหมือนอากาศยิ่งอยู่ไปตัวตนเราก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหมือนไม่มีอะไรอเนี้ยเพราะว่าลดน้อยลงก็คือเอา้าเขาพาทําอะไรกระทามีอะไรทํากระทา นะไม่มีอะไรทำท า, าความความเพียรคนที่มันจะมีแววเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีความคิดรดิเริ่มความคิดริเริ่มริเริ่มมากกว่าที่ทําประจําวันเนี่ยมีบ้างไหมมากกว่าประจําวันเนี่ยอาประจําวันคือกินคือขี้อ้าวจบเท่านี้ไม่ได้มีอะไรจะมากกว่าชีวิตประจำวันคือเอา้าเขามองออกตัวตนเราลดลงเราสงบลงเราดีลงเราอะไรเนี่ย อันนี้เราจะมีความรู้สึกว่าคนนี้จัดการดีไหมเนี่ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นดีไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนะเขาจะมีความรู้สึกปฏิบัติทำมานานจะมีความไปโกรธคนไปชังคนนี้อันนั้นอันนี้อยู่อยู่แบบไหนแยะเราเอาอยู่แบบเอาก้อนทุกอยู่เพื่อสะสมมา น, นี่เหรอไม่ใช่นะแต่ทำาจริงว่าเอา้าเราดูออกนะในวัดเนี่ยว่าใครเป็นยังไงคนนี้ติดอารมณ์มานั้นคนนั้นติดอารมณ์คนี้คนนี้ไม่ถูกกับคนนั่นคนนั้น รู้สึกว่างนหิดกับคนนี้นะวันทีเราถือว่าเป็นตัวโยมเขาบางทีดีบางคนทีก็ไม่ค่อยดีแต่เราจะรู้จักนะคนไหนที่มันมีจิตเหมือนคนไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยเดินไปจะรู้จักมันเจ็บปวดครุขระเหมือนกันนะ่ะคนที่จะผ่านโยมพคนนั้นคนนี้ได้อยู่ในวัดเนี่ยคนที่จะต้องเจ็บคนที่จะต้องทุกข์คนนี้จะต้องนนุ่งงนหิดคนที่ต้องปฏิฆะคนที่ต้องไปโกรธคนนั้นไปครั้งคนนี้ คนนี้ดูอาการมันจะไปทํางานกับคนนี้ไม่ได้แล้วจะดูนะเวลาทํางานคนเนี้ยชอบทํางานกับคนนี้ไม่ได้คนนี้จะทํางานกับคนนั้นไม่ได้มันทําไม่เป็นแล้วก็จะเลือกงานที่ง่ายๆทําไม่ดีนะทํางานอะไรที่ยากๆไม่เป็นคือไม่เคยฝืนเวทนาอะไรมากมายใช่คนตัวเองนะอย่างอธิวาสนาคันติขันติอันยิ่งอดทนยิ่งยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าปกติเนบางที่ทําไม่เป็น แล้วก็จะหลบไปอันนั้นหลบไปอันนี้อะไรประมาณนั้นเราสังเกต ด, ดูได้หลายคนมาอยู่ที่แรกเอาบางทีมันดูดีเพรามันฉลาดใหม่จะลดลงลดลงลดลงแต่เราสังเกตเห็นบางคนเอาอยู่นานๆทัวรู้สึกว่าขันติก็มีเยอะขึ้นสัจจะก็มีเยอะขึ้นความเพียรก็มีเยอะขึ้นสามารถรับผิดชอบทุระหน้าที่การงานอะไรได้ เวลาเขาไม่อยู่คนนั้นไว้คนนี้เขาจะฝากเวลาเขาจะฝากใครเนี่ยมันต้องคิดว่าอื้อคนเนี่ยสติเข้มแข็งละ่ะคนนี้มีความอดความทนละ่ะคนนี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวละสามารถบอกได้ฝากงานได้เน่าเนี่ยยังไม่ชีแหวงเกไม่อยู่เกจะหาฝากฝากใครดีเนาะในวัดเนี่ยคนไหนที่พอจะฝากได้คนไหนที่เกจะคุยได้ด้วย แต่ท้าคนไหนมีตัวมีตนมากเขาก็ไม่กล้ามันไม่กล้าไม่กล้าบอกแล้วไม่ได้คิดว่าคนนั้นจะทําให้อะไรพวกนะั้นงั้นไม่มีใครที่จะแบ่งปันธุระหน้าที่การงานให้กับเราสําหรับใช้เป็นเครื่องมือในกันกัดเกาจิตตัวเองเพราะเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าบอกเขากลัวกลัวอะไร เขาไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวโทสะอยู่ในเรากลัวโมหะอยู่ในเรากลัวโลภะที่ฝังอยู่ในจิตเราความจริงสูงสุดก็คือกลัวตัวตนในตัวเราเนแหละกลัวตัวตนในเราเหมือนเรามีเทียนเนี่ยเราทํำรูปเทียนนเนี่ยขี้พึ่งมาหล่อเป็นเทียนทําเป็นรูปพระหล่อเป็นรูปพระได้เทียนเนี่ยขี้พึ่งทําอะไรก็ได้เป็นนั้นน่ะ เพราะมันไม่มีตัวตนไม่ได้แข็งแต่ถ้าเอาไม้มาหล่อเนี่ยไม่ได้เอาทองคําเอาเหล็กมาหล่อจะต้องใช้ความร้อนสูงมากถึงจะหล่อได้นั่นอัตราตัวตนของคนบางคนเนี่ยโอ้ต้องใช้ด่าเด้ถึงจะทําได้สอนเนี่ยอต้องประจาย์ตัวหน้าคนเขาเรียกปฏิญญาตะกรณะหรือเรียกเนืยปุ ย, ยสิกาที่บอกว่าไปวันก่อน ต้องอาศัยมติมหาชนต้องอาศัยติมติเสียงครั้งมากอเยผุยศิกาที่เขาบอกว่าอาธิกรณะสมบัติเจ็ดอย่างมาตรการในการลงโทษนะหรือขัดเกลาบคุคคลที่จะเข้าสู่จะทำให้มันดีขึ้นมีเจ็ดประการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในนั่นน่ะมันต้องใช้ปั่นนั้นต้องลมพรมมาทันต้องนาสะนะต้องอะไรพวเนี้ มันกิริยาอาการอะไรเราได้อะไรก็ตามกันดีใจมากมากเง้อะไรอย่ามาใช้ในวัดเนี่ยนะคืออย่าเป็นเอามากอะไรก็ตามวาสนานินสัยนี่บางทีมันแก้ไม่ได้แต่ให้ดูว่าโออกำลังขัดเกลามันนะกำลังทำให้มันดีขึ้นอย่างนั้นนียจะได้ แต่เราไม่รู้สึกว่าทำให้มันดีขึ้นเลยพัฒนาขึ้นเลยอะไรอะไรก็เท่าเดิมหรือบางทีก็มากกว่าเดิมยุ่งยากกว่าเดิมไม่ปล่อยไม่วางอะไรประมาณนี้อันนั้นจะแย่ทั้นต้องสังเกตว่าอะไรเราต้องแก้ไขถ้างั้นเราจะรอคาถาทั้งหลายคำพูดคำสอน ที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นไปเพื่อโลกุตระเป็นเพื่อทางดับทุกข์อะต่างเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเราจะรอยว่าเออมันจะมาฉีดมาชาร์ตเข้าไปในตัวเราให้มันดีขึ้นมันไม่ดีหรอกต้องมองดูตัวเองให้เป็นฝึกสตินะฝึกเพื่ออะไรเพื่อมามองอารมณ์ตัวเองมองพฤติกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเรื่องนี้ถ้าดูุศลกรรมบทตรสิบอย่าง เราทำเป็นไหมเราพัฒนาได้ไหมเนี่ยถ้าเราพัฒนาเป็นพัฒนาได้ข้นขวายอทำเยอะกว่าเขาอะไรก็ตามคนเรามันทนได้เหรอมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ไม่ชอบคนดีคนดีเนี่ยเขาชอบคนดีเขาเรียกว่าสังกโหอสังกโหการสงเคราะห์การไม่สงเคราะห์การเข้ากันด้วยาธาตุด้วยขันเนี่ย คนผิวดำมันชอบไปกับคนผิวดำผิวขาวชอบไปด้วยผิวขาวคนขยันก็จะอยู่กับคนขยันนะถ้าสังเกตดูนะถ้าคนไหนมีคุณธรรมเนี่ยบุคคนอื่นที่ปฏิบัติต่อเราเนี่ยเขาจะปฏิบัติด้วยความเคารพนอบน้อมนะเขาจะแสดงต่อเราเนี่ยด้วยอาการเคารพนอบนอบ้นอมวันตโกปฏิวันนังนะแต่คนตลกบกหาคนอื่นแสดงต่อเราก็คือตลกบกหา เราเป็นคนเกี่ยวกาดคนอื่นก็มองเราแบบเหยียดหยามเยาะเย้ยหรือถากถางเราเคยได้ยินนะคำว่าถากถางแสดงว่าชีวิตเรานี่รกมากมันรกมากปัญหาชีวิตมันรกเยอะงั้นจะถากมันออกจะถางมันออกเนี่ยคือต้องให้คนอื่นถากนะต้องให้คนอื่นถางเขาถากถางเราเพื่อดีขึ้นหน่อยแต่เมื่อที่ถากถางในตัวตั ว, ตวเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเราไม่ใช้วิธีของพระพุทธเจ้าไง มิตรีชนะอารมณ์ชนะมารที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เนะพราะไม่รู้มันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นถึงจะแม้นจะ น, นอนกอดพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามไม่ได้ช่วยอะไรพระได้เห็นทำบนชั่วเห็นเราพระได้เห็นเราบนชั่วฉีดเห็นทำไม่เห็นสักทีหรอกนะเห็นทำนี่คือทั้งดีทั้งชั่วนะแล้วเหนือดีเหนือชั่วด้วยเอาออกเห็นไหม ถ้าออกไม่เป็นพัฒนาไม่ได้เหมือนกับเราอ ย, อยู่กับพระพุทธเจ้านนั้แต่เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่กับพ ah aw, ร, ระพุทธเจ้านั่นแต่เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอยู่พระธรรมเราไม่รู้จักพระธรรมอยู่กับพระสง์เราไม่รู้จักพระสง์อยู่กับมรรคกับผลเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้จักตัวมรรคตัวผลในจิตเราดูไม่ออกเดังนั้นถ้ากว่าคนไหนก็ตามพัฒนาตัวเองไม่ได้ มันเรื่องของฉันเรื่องของกูนะก็ทําได้แค่นี้แหละอะไรประมาณนั้นเราก็จะอยู่กับตัวตนเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยรื่ยมันจะให้ลดมาณะละทิฏฐิอะไรประมาณเนี้ยเราไม่เคยเห็นว่าเรามีอารมณ์อะไรเราปฏิบัติทำเนี่ยเราเอาทุกเป็นตัวตั้งนะทุกเป็นตัวตั้งเอาสุขเป็นตัวลบเอาอนัตตาเป็นผลลบไปลบมาลบไปลบมาลบไปลบมานะ เราเอาสุขเอาทุกข์เป็นตัวตั้งเลยเนี่ยเอาตัวว่างเอาตัวรู้เนี่ยเป็นตัวลบลบออกลบออกลบออกรอพลบออกหมดเอามันไม่มีอนี่ยแนนั่นจะเอาทิฏฐิมานะราคาตัญหามาจากไหนเนอ่ยเอาคนอื่นก็เห็นในความไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือหมายถึงว่าเออมันใช้ได้เขาเรียกมันนิพพานแล้ว นี่ผ่านมนมานี่ผ่านช้างนี่ผ่านียมันใช้ไปได้แล้วใช้เป็นแล้วคนอื่นเขาก็ใช้นะีอันนี้ไม่เป็นนะเมืองนี้เฮ้ยใครอย่ามายุ่งกับชีวิตกูนะเนี่ยเป็นเรื่องของกูอะกูอยากหลับก็หลับกูอยากตื่นก็ตื่นกูอยากมาก็มากูอยากไปก็ไปเป็นเรื่องของกูเลยประมาณนี้โว้ยมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในพรหมจรรย์ น, นี้ที่จะขัดเกลาเราก็ต้องไปอยู่กับโลกลนันแหละ ไปเพลินอยู่กับโลกโลกเขาก็จะให้เราทำอะไรแหะฮะมันไม่พอที่จะขัดเกลใช้สติสัมปญญามันก็ต้องไปใช้อาวุธใช้ไม้เลียวใช้ตีนใช้มือในการขัดเกลาใช้คําพูดแดกดันถากถางเหมือนทางโลกที่เขาเป็นกันเนี่ยเพราะเราต้องสังเกตดูตัวเองพัฒนาตัวเองดังนั้นเขาจะเป็นเลยว่าเออบวดกน พันศามากถูกขัดเกลา ม, ามากเอ้าสมมุติให้เป็นผู้นำผู้มาทีหลังให้ความเคารพผู้อยู่ก่อนพระพันศามากพันษาน้อยเนเนเนี่ยเทีนทีมีเนนมีเมชีคารวะ ญ, ญาติโยมคือเคารพกันตามลำดับเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องมือในการซักฟอกจิตเราเอง ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวลงไปเรื que, เร่อยๆเอยนะจนถ้าว่าความเป็นตัวตนนี่มันหายไปดังนั้นเราจะไม่ผูกพันกับอะไรชีวิตเนี่ยนะอย่าไปผูกพันกับอะไรถ้าเราผูกมัดชีวิตไว้กับอันนี้มันจะต้องทำเพื่ออันนี้ให้ได้นะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะผิดศีลผิดธรรมคือผิดสติของเราอย่างหไหนก็ตามนะ มันจะไม่เป็นเครื่องมือในการบ่งบอกว่าเราพัฒนาขึ้นเลยถ้าเราอยากกินแต่เนี้ยเราจะต้องกินให้ได้เัยท่านความผิดศีลผิดธรรมก็จะปรากฏขึ้นกุศลอกุศลกรรมบทจะปรากฏทันทีถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้ดีอันนั้นจะไม่ดีเหมือนหลวงพ่อชาอาจารว่าไม้เนี่ยถ้าเราต้องการไม้ยาวเนี่ยไม้นี้จะสั้นถ้าต้องการไม้สั้นเนี่ยไม้นี่จะยาวแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเ่ยมันจะปกติของมันมันไม่ยาวมันไม่สั้น ใจของเราก็เหมือนกันนะเราสังเกตดูดิถ้าเห็นตัวตนคนนี้ไม่ดีคนอื่นจะดีตัวเองจะดีอันนี้แต่เห็นว่าคนอื่นดีอันนี้จะไม่ดีถ้าเราคิดขึ้นมาในใจเราเมื่อไรเนี่ยเราสังเกตดูดิใจเราเนี่ยถ้าเราเกิดชอบอะไรเนี่ยมันจะมืดไปอีกด้านหนึ่งด้านอื่นนี้จะมืดเลยะหาไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ด้านดีอ แต่เราคิดว่าเราเหนื่อยเราเมื่อยเราจะไม่เคยเห็นเนะี่ยว่าทุกอย่างคือธรรมะทุกอย่างคือธรรมชาติเราก็จะไม่จะเหนื่อยแต่เมื่อยเราอยากทํามันนี้อนอื่นเราไม่อยากทําไม่อยากฝึกไม่อยากขัดนะเห็นโยมแบง่์เนี่ยสมัยก่อนมาปะก่อนเนี่ยเคยอยู่กับหลวงตาทำงานวเวลาเขาทํางานแบ่งจบเนี่ยเขา ย, ยังเอาออกข้างหน้าเลยจอบนะด้ามมันไปด้านหลังจอบมัคขะหน้าจับอยู่ในมือกลัวกลัวมันหล่นถูก คนรวยมาบวชเนาะลูกในธนาคารเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเขาฝึกเ้าหัดเขาพัฒนาไปได้เขากลับไปกลายเป็นว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ขยันที่สุดเป็นคนที่คนอื่นเขาใช้งานมากที่สุดอยู่ในวัดเนี่ยใช้อะไรก็เป็นหมใช้อะไรก็ไปไม่เป็นนะแต่ไปไปทําทุกอย่างอะพัฒนาดียังครูบาเหาะเนี่ยไปอยู่กับภูบาณัฐ กัไมีชีแตี่ยวโยนอา้าวเขาขยันขันแข็งฮรใครก็ชอบนะใครก็ชอบเพราะเขาขยันทําการทํางานทํานุ่นทํานีไ่ไปรับบาตรพระบ้างอะไรบ้างนะตื่นดกลูกเชา้าตีละคงละคังแม้แต่ทําความเพียนเพียนมากเพียนมากจนโยมเขาเห็นเขาว่าโอ้น่าจะบวชนะเนี่ยคนนั้นกระถามอยากเป็นจ้าภาพให้คนนี้ก็ถามอยากจะเป็นภาพไหมอยากให้บวชโ ด, ดยที่คนเขาไม่รู้ว่าเขาเคยบวชมาก่อนนะ มาคนนั้นก็ให้ตังคนนี้ก็ให้ตังเขาเห็นนะเขาขยันนะของเราเราคิดดูดิเราไปอยู่ที่ไหนในคนเขาจะให้เราอยู่เหรอที่จริงเราอยู่กับใครก็ทำเนาะคือเราอยู่ในตัวของเราเองนั่นแหละแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราวัดตรงที่ว่า อ, อสภาพแวดลมนะมันจะเป็นใจเราอยู่ตรงนี้ก็เห็นตัวนั้นงอกขึ้นตัวนี้งอกขึ้นคนอยู่ใกล้หน้าชื่นตาบาน พอมีความสุขอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สบาย อ, อกสบายใจไม่ต้องบอกหลายครั้งบอกก็จบไปไม่ใช่ว่ากูอยากทาตามก็ทำตามกูไม่ทำก็ไม่ทำตามครูบาอาจารย์อยู่กูก็ทำไม่อยู่กูก็ไม่ทำเอาผ้าหน้ารอดไปวันวันซึ่งมันจะเป็นที่มาของกานจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่เราต้องรู้นะสวาโยมมาอยู่ในวัดเนี่ยถ้าไม่ชีทํำงานระดับหนึ่ง เราต้องทำมากกว่าเขาจะรู้ตาพาทำพระเขาก็ทำแต่เราทำไม่เอาเขาพาไปล้างส้วมล้างหน้าห้องหน้ า, นามองตาเราพัฒนาไม่ให้อยู่แบบเจ้าอาวาสอยู่แบบเจ้านายแล้วเขาให้อยู่เลยคือมันน่าให้อยู่เลยพูดตามหลักของสัจจะเราสังเกตดูดิดูตัวตนเราทั้งหมดนะ่ะบวกลบคุณหาย อันที่ให้อยู่หรือไม่อยู่ผมเพราะอะไเพราะหนึ่งหนึ่งโอกาสเรามีแต่เราไม่เอาสองอยู่ไปเราก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์พราะอะไเพราะมันเหมือนคนอื่นจะขัดจิตเาอาเขาขัดจิตคือเขาจะบอกจะแนะนําไม่บอกนําด้วยรูปรักษนะ้ารูปรถกินเสียงเขาบอกแนะนําด้วยสายตาอืมควรจะ น, นั้นบ้างเด้ออันนี้บางเด้อเนี่ยเราไม่มีอ่ บางทีเราทำได้ทำได้เพราะเราเราอาจจะเคยทำอนไะรทั้งโลกไม่เคยทำอะไรเลยเรามาอยู่วัดอยู่วามาบวชมาอะไรเราอาจจะมีการทำบ้างแต่ถามว่าคนอื่นเขาล่ะเขาทำมากกว่าเราไม่อะไรบางที่ควรไม่ควรในพุทธะนั้นต้องมองหลายแงย่หลายมุมนะไม่ทำเพื่อสนองตัณหาอารมณ์คนใดคนหนึ่งหรือไม่ได้ทำเพื่อสนองกิเลส ต, ตัวเอง มันต้องมีความละอายหลายๆอย่างนั้นบางทีเห็นเอ้าพระเนนเถ็นชีอะไรจัดเอ้าต่างคนต่างทำงานแต่คนวิ่งไล่หยอกมาเพลินอยู่เนี่ยโอ้ดูอะไรออกไม่ออกค่ะไม่เป็นไม่ต้องลงตาพูด น, น้อยเหมือนพูดเล่นพูดหัวเนี่ยจริงๆคือพูดไม่อยากให้คนเจ็บใจเฉยๆนะแต่นั้นเคือบอกละนั่นเรคือสอนเอาไปฝึกเลยอะไร อะไรบอกพอเลิกเลิกนะไม่ใช่พูดเล่นเล่นเห็นไหมเวลาเราทาอะไรที่มันอยากจะทำเวลาคนมาขัดจิตเราก็จะถูกขัดเราก็จะอึอดอัดเราชอบมันนี้แล้วเขาไม่ให้ทเวลาเขาไม่อยู่เอออาจจะพอทำได้เวลาคนนั้นอยู่เหมือนเราจะทำยากขึ้นยากขึ้นแต่เราก็ยังอยากทำความรู้สึกนะมันอยากทำอยากทำวันนั้นนะ่ะอ้เนี้ย เขาเอ้ยอย่าไปทำเล่ออันนั้นอย่าไปทำเล่อนี่ไม่ได้เราอยากแต่เราไม่รู้สึกว่าให้เราตัดความอยากออกได้ไหมเนี่ยปล่อยได้ไหมวางได้ไหมไม่ได้วันก่อนเราจมาพูดเล่นฟังว่าพูดถึงคนจิตอ่อนอย่างไม่จีที่า ห, หนีจากที่นี่เพราะอะไรเพราะเล่นอยู่แต่กับมาไปอยู่ที่อื่นก็เป็นแบบนั้นแหละคือหมายอามา 5, ตัวหกตัวสิบตัวยี่สิบตัวจะมากขึ้นมาขึ้นเพราะชีวิตนี่เกิดมาไม่มีปัญญาเพราะที่จะตัดเรื่องพวกนี้ไวจากใจได้ แต่คำพูดนั้นคือสอนคนที่อยู่ที่นี่นะฮทุกอย่างเนี่ยเรามองมาที่ตัวเราที่กลุ่มเราที่ใจเราเธอาถามว่าเออวันนี้เราเทศเรื่องนี้ไปลองดูดีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในวัดเนี่ยมีคนเข้าใจเรื่องนี้ไหมคนไหนที่ยังผูกพันเรื่องไหนอยู่คนนั้นดีขึ้นมั้งหมถ้าไม่ดีขึ้นไม่มีประโยชน์นะเราไม่ได้ประโยชน์จากการอยู่ประโยชน์จากการฟังเนะียแล้วเราได้อะไร เราอยู่นี่เพื่อฟังฟังเขาสอนฟังเขาแนะนําวังเขาสะกิดสะกเกาเวลาเขากิดเธอกิดตรงไหนมันเจ็บตรงนั้นรู้สึกเออแสดงว่าหนามมันมีอ่ะตรงนั้นเราก็ไปนั่งบงมันออกซ่าไม่ใช่เจ็บเท่าไหร่เราก็ยิ่งปกปิดเข้าไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆหลบเลี่ยงอันนั้นอันนี้นั้นจิตเราบางทีมันเหมือนขยันนะถ้าสังเกตดูดิถ้าสมว่าเราทําเพื่อหมูนะ่คณะล่ะอา่าเราตื่นมากขยันเคี้ยงปัดกวาทาความสะอาด เขมสวยหลังชากด้โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงคนเขารักนะคนเขารักเขาเอาใจใส่เขาเคารพรักเคารพ บ, บูชาไปเงี้ยเมื่อที่เขาคนเกลียดเกลียดก็ตามมาด้วยคําดูด่าว่ากล่าวแต่นี่คนเขารักเคารพ บ, บูชาสูงสุดก็คือการบูชาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเข้ามาก็เอามาบูชาอะไรมามาบูชาบูชาไม่ได้ได้วยความรักนะเรายังไม่มีภาวะแบบนั้นน่ะ ทีนี่เราไม่ได้ทําำนั่นเอาจะล้างถ้วยล้างจาน อ, อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันนะเราทําด้วยตัณหาทําเพื่อแลกเ่อเจ้าอะไรสักอย่างเอาก้างเอาโนอนเอานี่ไปให้หมา อ, าอะไรอยู่อะไรอยู่ประมาณเนี้จิตเราไม่ได้มีอะไรที่มันบริสุทธิ์สะอาดเราไม่ได้มองถึงอารมณ์เราไม่ได้เห็นนะเพราะในวัดนี้ไม่มีใครพูดกับเราไม่มีใครคุยกับเราอย่างเดียวก็คือเราอาศัยหมาเป็นที่พึ่งอยู่เยเราไม่ได้อาศัยสัจธรรมไม่ได้อาศัยความรู้ ความเข้าใจแล้วมีแตออ่พอคุยก็ได้พอพูดกันได้พออนุโลมได้พอไปพอมาได้คือมีแต่หมานี่แหละอะไรประมาณนั้นนี่เราก็เริ่มไปหาแย่งข้าวคนอื่นมาเพื่อหมาเพื่ออะไรอยู่ประมาณเนี้จะให้มันมีเรื่องอ่อนแอขนาดนี้ยมันเป็นเรื่องเด็กเยาวชนตัวในน้อยที่มีความคิดแบบเนี้ยเราเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วอะไรที่ผมมองออก เ, เลิก อะไรที่คุบาอาจารย์เขาตักเตือนหยุดมันจึงจะกลายเป็นผู้มีสติมีปัญญาฟังออกดูเป็นเห็นได้อะเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยอยากสอนคนนั้นคนนี้นะโอ้ยทำไมคนนั้นเป็นอยางงั้นคนนี้เป็นนี้อยากบอกอยากสอนเขาแต่พอพอนานไปนะคุณธรรมในเราลงพิสูจน์ดูดิในตัวเรานี่ลหละทำไมเราไม่สอนตัวเราเราดีขนาดไหน ไม่ใช่ได้อารมณ์วันหนึ่งครมีความรู้สึกเออมีความภูมิใจมีมา n ะทิฐิขึ้นมาแต่ดีเ อ, อ้กูเป็นคนอื่นทําไม่ได้อย่างกูไม่ใช่เอสิ่งที่มีไม่ได้พิสูจน์วันเดียวต้องเป็นอาการลิโกอากาลิโกคือไม่มีการเวลาเป็นโดยธรรมชาติแบบนั้นเนี่เมตตาเขเมตตาโดยธรรมชาตินเขาหนุนบอกไงคุณจะทำตั้งหลายที่เกิดในตัวเราเนี่ยอะไรก็ตาม จะเป็นความเมตตาความเห็นอกเห็นใจควาลรักธรรมจะไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะอย่างไม่ชีเขาจะเลี้ยงหมาวันละสามเวลาเนี่ยแกซื้อกับเข้ามาซื้อปลากระป๋องมาก็คืนมาก็เอา้ามาขยําให้มันกินเอาใจใส่มากตัวนั้นตัว น, นี้ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงสนุกสนานเปิดเพลินวิ่งไปวิ่งมา ถามว่าเบียดเบียนตนเองไหมไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่เบียดเบียนตามภาษาทั้งโลกนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ขอเข้าใครมาให้มันกินแต่ว่าเป็นการเบียดเบียนมรรคผลนิพพานในตัวเองเบียดเบียนคุณธรรมที่มันจะเกิดจะงอกเงยในตัววันมาหนึ่งเสียเวลาจมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีโอกาสทํามันใดก็ตามที่ผู้รู้ทั้งหลายเขาติเตียนติติงเขาแนะนํำ ไปพัฒนาคือเราคิดทันทีว่าเออเราไม่ได้อยู่ได้ยัเป็นนานหรอกชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่นานแล้วมาขอกินข้าวของเขาแล้วมาอยู่เาาขาอาศัยเขาเป็นที่ฝึกปฏิบัติขัดเกล้าตัวเองเพราะขัดเกล้าตัวเองตัวตนมันน้อยเขี่าไปอยู่ท่างโลกคงน้อยอ่ะตัวตนมันถ้าเราพัฒนามีปัญญาดีปุ๊บอา้าไปแล้วก็เท่านั้นเองเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่เป็นเดือนเป็นปีเป็นนีอะไรมากมายดังนั้น ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเหมือนเราไม่ประมาทในชีวิตเรามาขอเขาอยู่อยู่เพื่อเพื่ อ, อขัดเกลาตัวเองโอ้เรามาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมานะมานี่เรามาผูกพันเอาอันนั้นเอาอันนี้นไม่เราไม่ได้มาผูกพันนะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทะเลาะบ่แวงกับคนโน้นคนนี้นะเราเอาเขาเป็นตัวตั้งบางทีนี่โอ้คนนี้ขยันเนาะเอาความขยันของเขาเป็นตัวตั้ง เอาความมากน้อยสะดวกเขาเป็นตัวตั้งอันนี้ถามเขาว่าเอา้าคนนั้นแหละคนนี้แนหะโอ้ยหลวงตาบอกไม่ได้หรอกโอ้ยหลวงตาสอนไม่ได้หรอกเอา้าถ้าไม่ไ ม, ไม่ทำไม่ยมไม่บอกคนนั้นมามโอ้ยจะมีใครกล้าบอกจะมีใครกล้าสอนอืเต็มทีนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยใครก็ไม่กล้าบอกใครก็ไม่กล้าสอนเราต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าเราไม่ดีตรงไหนเอพระก็เหมือนกันในเวลาไปอยู่อธรมาอยู่เชียงใหม่เอา้า องนี้มีจะนั่งหลับองนี้มีจะง่วงต่อมาไล่หนีอจากที่คนเยอะๆอันี่ยยิ่งนะถ้าขัดเกลอยู่ได้กันเนี่ยยังไม่ฝึกไม่หัดะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกไม่ได้อืเอาคนเยอะๆเป็นตัวขัดเกลีนั่งหันหน้าเขาหายชาวบ้านเขาดูดีเห็นไหมพอเราไม่ฝึกตอนนี้พอไปเจอสถานการณ์เป็นลําบากละที่เนี้ยเหมือนกัน อารมณ์ทั้งหลายที่มีในเราถ้าเราไม่ขัดเกาเลาได้อยู่คนเยอะมันจะเป็นยังไงมันจะไม่บ้าหนนะักกว่านี้แล้วเวลาพาไปด้วยพาไปน่นไปนี่ว่อา้าคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาถามเอาผู้หญิงคนนี้เป็นใครทาไมไม่ปกติคนนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ฉี่คนนี้เป็นใครพระคนมาจากไหนเนี่ยเอาทําไมเหรอโอคนนี้งามคนนี้ไหม่งามงามเนี่ยมันมาจากคำว่า ง, งาม สวยเนี่ยมันก็จากคําว่าสวยสวยนี่แปลว่ามาันกาลังจะแหลมคมมันเขาเหลาอะโอ้คนนี้เริ่มสวยเนาะสวยนะคนนี้สวยคือมันเริ่มแหลมคมงามเนี่ยเป็นงามก็หมายว่าสามารถห้อยถุงได้วางอันนั้นได้วางอันนี้เได้ถ้าไม้งามไม่มีงามก็ไม่มีประโยชน์คราบอกไม้งามมันต้องมีงามคนงามเนี่ยมีศีลมีธรรม มันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่มีตายหรอกชีวิตเนี่ยอะไรก็ทำที่เราทํามันไม่มีตายหรอกขัดเกลาเราไปเรื่อยๆอฝึกสติสัมปชัญญะทาเยอะทําไม่มีอะไรอ่ะเราทําเพื่อทำถึงเวลาอยู่เราก็อยู่ถึงเวลาขัดเกลาโอ้อันนี้เราขัดเกลาไม่ได้แล้วไม่อยากขัดเกลาเราก็จากกันไปไปอยู่ในที่เขาไม่ขัดเกลาอันนี้หรือไม่อยู่ในนี่โอ้มันไม่ค่อยขัดเกลาเรื่องนี้เราก็ไปขัดไปอยู่ในที่ที่เขาช่วยขัดเกลา อย่างที่ว่าน่ะชีวิตน้อยชีวิตนี่มันน้อยนัะมีเวลานาทีทํานิดเดียวหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วชีวิตนี้ถือมาน้อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเราไม่อยากได้เหลือปุ่มต้านทานโรคที่ถาวรนะอยโรคตาเนี่ยถ้ามีอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยไอ้นู่นนี่เนี่ยไม่ไหวแล้วคุมแพ้มันเยอะเราก็ต้องกินยาเฉพาะเวลา เฉพะคณะกระตุ้นมันเป็นครั้งเป็นคราวไปพยุงเอาอะไรก็มานะแต่ไม่ทําก็ไม่ได้อย่างเดินทางไปโน่นไปนี่ปกติจะมีตัวเครื่องบินนะเขาให้แต่มันก็ต้องไปไปกับพระเพรา ะ, ะต้องคอยประคองเหนื่อยก็ตามต้องประคองไปกับที่ต้องประคองเข้าไปอ่าพูดมากนอนมากในรถอ้าวสนุกสนานเพลิดเพลินมาก ถึงเวลากินลงกินมากอะไรบางพฤติกรรมคือมันต้องประคองไปอะหนักหนายังไงก็ตามเออทิ้งความสะดวกสบายตัวเองเพื่ออะไรเพื่อมาประคองประคองต้นไม้ต้นนี้ต้นนั้นต้องเอาใจใส่ต้องอะไรประมาณนี้ต้องคอยประคับของกิจกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ทํานู่นทานี่ไม่ใช่ทําเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินนะแต่ประคองคนค น, คนมีศรัทธากับประคองศรัทธาคนนี้คนไหนมีวิริยะกับประคองวิริยะ คนนี้ฝึกดีสติสมาธิมัประคองประคองคือการให้โอกาสเขานะถึงเราจะเหนื่อยจะเมื่อยจะอะไรคือมันก็ต้องประคองต้องพาทําเพื่อนะเพื่อการขัดเกลวเพื่อให้เกิดการเห็นตัวเองเกาไปเกามาโอ้ยเจ็บตรงนี้นะเลือดไม่พอใจโอ้ผูติดอารมณ์อยู่ตรงนี้อนยะู่นอก็เกามาหนอกขัดมานอกมันก็จะขัดเกลว์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยบางคนสังเกตเวลาบอกอรู้สึก ง, งอเ ง, งอะคนนี้เป็นอางทิ้งไป ดูเรื่อยๆอ่ะถ้าเราพัฒนาเรื่อยๆทาไมสติปัญญามันจะไม่ดีไม่มีมันต้องมีมันต้องดีอ่ะสติปัญญาต้องแหล ม, มต้องคมต้องเห็นตัวเองอันเนี้ยนี่สังเกตดูโอ้ลกนะฮะแล้วสังเกตเลยคนเนี้ยอยู่กุติตัวเองเนี้ยยังโยมใอยุคุติในลงตาว่าเห็นตั้งแต่อยู่กุคติในะลมตายังไม่เห็นเขาทําสะอาดเลยน้ำประสาอะไรจะให้ย้ายไปไหลายหลังแค่หลังเดียวนี่ก็ไม่เคยเห็นต้อาสะอาด ข้างล่งก็ลกด้วยขวดน้ำด้วยด้วยของอะไรประมาณนั้ไม่เคยเอาไม้เอาอะไรไปถูไปไม่แต่กันเดินอยู่กรมยังใส่ยืนรองเท้าเขาไปเดินอยู่ข้างในซึ่งเขาไม่ทํากันในวัดเนี่ยคือไม่มีความเคารพสถานที่ได้ซ้ำไปอี่นี้ขนาดอยู่ใกล้นะแล้วสามารถใครบ้างกล้าเตือนก็บอกไม่มีนัทมาก็คืออะไรก็คือบอกเตือนมานานมันไม่เห็นตัวเองนะ เรามองไม่เห็นตัวเองอันพื้นฐานที่บอกที่กล่าวที่ตักเตือนไปไม่เห็นคือการบ้านให้เอาทํายังไม่ได้ไปทําไปพัฒนาไปทําให้มันดีขึ้นสังเกตดูบางคนให้ย้ายไปตรงไหนโอ้สะอาดไปตรงนั้นเนาะตรงนั้นก็สะอาดล้างค้าวก็สะอาดพื้นรอบรอบก็ดูดีทําสะอาดนะดูแลเอาใยใส่อันนี้มันต้องทําแบบนั้นนะถึงจะดีขึ้น อันนี้เออมาใหม่ๆเราก็จะดูดีคนนั้นโอ้ยตื่นดึกลุกเช้าเนาะเลยเอาไปมาเอ า, า, เ, อาเริ่มโอ้อยากมากับมาไม่อยากมากมาไม่อยากมาก็ไม่มาทําสะอาดอะไรประมาณคือเราไม่ได้อยู่ด้วยศีลศิกขาชีวิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่โดยการประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นการแลกข้าวน้ําคนกินอยู่ที่เนี่ยแลกคุณธรรมที่อยู่อาศัยเขาเนี่ย เราใสศัยเาอยู่แต่อยู่ด้วยคุณธรรมเราไม่ใช่คนนั้นก็ยังไม่อยากให้อยู่คนนี้ก็ยังไม่อยากให้เห็นบางทีไปดูไม่เต๋ออยู่ที่ น, นู้นอ้าหน้าตาผ่องใสถามว่ามีงานไ้ยมีงานเยอะมากที่ น, นูนมันไม่มีที่ไหนไม่มีงานไม่มีการงานทามันก็มีหมดนะต้องเย็บผ้าทำความสะอาดอืม ต้องทำกับข้าวเลี้ยงคนไปมาวันไหนบางที่ไม่เข้าหัวมันไม่มีไม่อยู่นนก็ได้ทํะแต่ไม่มีใครจะเป็นคนคู่กัดด้วยอยู่โดยคนเดียวถึงแม่งานหนักก็ทะถ้าเราไม่หนักอารมณ์เนยไม่ไ้มีปัญหานะบนะางคนโอ้เขาบอกอย่างนี้เขาสังเกตดูดิแก้อยู่ในวัดเนี่ยแก่ทางานทําการทำนนทำนะี่เขาก็จะหงุดหญิดกับคนที่ไม่ขยันนะ เสื้อผ้าห้องผ้าห้องอยู่ห้องนอนขยะขยะเยอะแกจะเรียบร้อยดีมากเขาทำดีอ่ะงั้นไปอยู่ที่ไหนอา้าวจะลามาเขาก็ไม่อยากให้มาจะไปที่โน้นที่นี่เขาโอ้ยอยู่ที่นี่ก็ได้อยู่ไปเถอะอะไรประมาณนั้นเพราะอะไรสิ่งไหนก็ตามอยู่แล้วมันไม่เป็นโทษกับสถานที่แล้วก็มีคุณประโยชน์นะเขาก็ให้อยู่เหมือนกล้วยไม้อะไม่ได้ประโยชน์อะไรอก้าวฝากเนี่มันอยู่กับต้นไม้อ่ะ ถ้ามันไม่มีประโยชน์มันทําให้ต้นไม้นี่มันร่อยหลอมันผอมมันเศร้ามันหมองลงเขาตัดทิ้งนะมันไปเกาะกิ่งมันไม่แต่ความสวยงามยังไม่มีเลยต้นเกาวฝากต้นภาคเราเรียกเราอยู่แบบอืเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังคมแต่เราอยู่แบบเป็นเกาวฝากเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่ทําการทํางานแต่คอยเจาะกินกับต้นไม้ที่มันดึงขึ้นมาเนี่ยต้องมองให้เห็น ที่สุดคือทำอะไรก็ทำาคือเราทำกับตัวเราเน่ะทากับจิตเราเนี่ยแหละทุกอย่างเนี่ยจะไม่ได้ทำเพื่ออะไรเพื่อใครสังเกตดูดิเวลาธารม า, าจะออกจากวัดแต่ละทีเนี่ยนะจิตมันจะดิ้นรนดีเพราะหนึ่งอยู่กับคนอื่นไม่มีความสุขได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนธรรมาเป็นโล่ป้องกันในสักอย่าง พ่าทำไมาจะไม่อยู่เอ้ยจะขอไปที่นั่นเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเดี๋ยวคนหนีไปโน่นเดี๋ยวไปนี่เออจะไปโน่นไปนี่มันมีความรู้สึกคิดขึ้นมาจะดีเพ่อเลยเบื้องหลังของมันก็คือมันไม่สามารถอยู่ในตัวของมันเองได้จิตเนี่ยอืมมันไม่ขยันไม่แข็งแข็งพอจะมากินหรือคนอื่นเขาก็ดูถูกอจะอยู่หรือทําความเพียรนี่ก็อายเขานี่มันไม่มีคุณธรรมพอ เพ่อจะดูตัวเองออกแล้วพัฒนาตัวเองได้ปกติเนี่ยอาตมาไม่ค่อยมีนะคำพูดว่าไล่คนนั้นหนีไล่คนนี้หนีเนี่ยแล้วอาตมาพูดกับใครเนี่ยอาตมาไม่เคยว่าอาตมาพูดเล่นนะคือพูดก็พูดจริงถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถือว่ามันต้องพัฒนาบางทีเวลามีกิจกรรมเลยเนี่ยเอาอาตมามาก็คือมาเวลาไม่มาเนี่ยสังเกตดูด้วนะ จะวิ่งหนีไม่อยากทำมัดไม่อยากสวดมนต์โอ้ยดีกว่าเขาเยอะแยะเลยตัวตนเนี่ยมองเห็นแต่ตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาบงทีหาความไม่ดีตัวเองเนี่ยไม่เห็นนะเขาว่าคนมองความชั่วตัวเองมองเท่าเส้นขนะความไม่ดีคนอื่นเนี่ยเท่าภูเขาโอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้ฉันไม่อยากกราบไม่อยากศรัทธา เขาไม่ได้ให้ใครสรัทาไม่ศรัทาหรอกแต่สิ่งที่พูดออกมาณโอ้จิตมันติดอะไรเราให้แก้ไขอันนั้นะอจิตเรามีอันนี้จิตเรามีอันนั้นเอีไยมันต้องไปพัฒนาอันนี้เราให้โอกาสกันมาเนี่ยนานละมันเป็นเดือนเป็นปีเป็นอะไรก็เออหลุดออกจากอ น, นั้นกลับมาติดอันนี้อันนี้ก็ติดอันนั้นอะไรที่เขาไม่ทำํำเราก็ทํา อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่คิดว่านั่นแหละคืออกุศลอันนั้นแหละคือความขี้เกียจที่ค้ขนแล้วก็ทําเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอให้อยู่โดยอาศัยเสียนศีกขาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตนะในเนี่ยขอให้เราอยู่โดยกาอาศัยคุณธรรมเราอย่าให้มันเป็นการต้องไล่หนีสองครั้งสามครั้งอธตมาก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะว่าอธตรมไม่อยากให้อยู่ ถ้าไม่พัฒนาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอ อ, อ้าวหรือคําว่าเราไม่ดีพอเนี่ยคือตัวเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันไม่ดีพอพอที่จะขัดเกลามันไม่ได้เหมือนกระดาษทรายที่จะไปขัดเกลว์เขาได้ให้มันเหมือนคนอื่นได้เออให้เขาไปขัดเกลวอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นให้เขาขัดเก لب لب ลวเราเราอาจจะดีขึ้นอาจจะบรรลุทำได้ไวกว่านี่นะอยู่ที่นี่เราเออมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ปรารถนาแบบเนี้ย หรือถ้าเขาพาขัดเขาไปเนี่ยเราไม่ชอบเพราะเราไปทำตามในสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบแต่รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์นะเออพัฒนาไปให้รู้สึกว่ามีการพัฒนาขึ้นนะให้มันได้ถามหาโอ้คนนี้ไม่อยู่เนาะเออถามหาเขาโอ้คนนี้คนนั้นไปไหนเนอะคนนี้ไปไหนนาะคนนี้อยู่ไว้ใจนะไว้ใจได้คนเนี่ยความเพียรก็ดีการปฏิบัติก็ดีอะไรก็ มันดีอ่ะหลายๆคนแต่ก่อนเขาไมา่อยู่ที่นี่ก่อนเขาจะบวชทําอะไรจะสมว่าสมเหมาะสมเออคนนี้สมควรเป็นบวชเป็นพระละโอ้ยคนนี้ชีวิตเขาสมควรเป็นทีสามารถรับภาระธุระอะไรที่หนักๆได้มากกว่าล่ะสมควรไหว้สมควรกราบได้แล้วอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าอยู่ไปนานๆเอาพระเนรเทียนชีได้อุปถัมภ์เอาได้ดูแลเอาได้หามาให้กินเอาเอ า, เอาไปมาพระเนรเทียนีแทบจะได้นอบน้อมเวลาจะบอกจะสอนจะแนะนำอะไรประมาณนั้นไม่ใชนะ่มันไม่ใช่วิธีการคำว่าอุเบกขานี่คือต้องเห็นอารมณ์ตัวเองแล้วไปแก้ไขนะถ้าไม่เห็นเฉยโดยไม่เห็นไม่ทำคืน เวลาเขาสแสดงอบัติเนี่ยเออเขาพเจ้าเห็นแล้วเขาพเจ้าจักทําคืนเห็นแล้วเห็นอยู่ซึ่งอบัติและจักทํำคืนจักทํำคื น, น, นอันนั้นแหละอันนั้นแหละนนคือปัญญาเราแต่ไม่ใส่ใจไม่สนไม่อะไรประมาณนี้ยไม่ใช่นะทําให้มันถูกทำนะไม่ต้องมาทําให้มันถูกใจคนนั้นคนนี้นะแต่ทําให้มันถูกทำ อะไรที่มันมีในเราแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมะที่เป็นโลกีจะทำทํำยังไงอยู่กับคนอยู่สมมติทําไงธรรมะที่เป็นโลกุตระจะอาศัยยังไงพัฒนายังไงต้องทำพอเราอยู่ในวัดเนี่ยหนึ่งกินข้าวเจ้าบ้านเขาเราต้องอาศัยค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวค่าอยู่อาศัยไม่ใช่น้อยนะในเนี่ย วันวันหนึ่งเนี่ยใครใช้จ่ายอย่างกับเข้าประอาหารที่เขามาถวายเราเนี่ยได้ไหมวันหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วเขาไปหายยังไงอะ่ะมันยากจุนะฉะนั้นถ้าเราเห็นประโยชน์ของพวกนี้เนี่ยเออเราค้นขวายสร้พัฒนาตัวเองอย่างน้อยเขามาทีละก็เหนโอ้ยคนนี้ก็ดีเนาะคนนั้นก็ดีนะอันนั้นดีอันนี้ดีเฮ้ยเขาเคารพย่องย่อ ง, องนับถือ แต่ถ้าเราจะไปะทะเลาะบ่แว้งกับเขาเสเองเนี่ยโอ้ยไกลไอันเนี้ยนะวั น, ว, น, ว, นวันหนึ่งชาบ้านเข้ามาเราไปแย่งเขาเอาไปทานให้อันนั้นทานให้อนี้มันทำว่างามไหมถ้ายิ่งจนกระทั่งว่าขลรา่าษัติย์ยมเขามาฟ้องว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ไปนี้นักอันเนี้ยไม่ไดีเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างไปทุ่ดงเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็มาถามเรื่องนั้นเลยเพียงแต่อาตมาไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ได้เก็บมาใช้ว่าไม่ธีคนนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นเออพระองค์นี้ทําไมเป็นอย่างเนี้ยมีเสียงหนึ่งก็ฟังนะอาตมาในฐานะคนสอนเนี่ยมันเหมือนเรากําลังจะวาดอะไรสักอย่างนะเป็นวิศวกรกําลังพัฒนาคนให้เป็นรูปนั้นรูปนี้เนี่ย อะไรที่มันคิดว่าเออใช่ของเขาเนอะอันนี้เราลืมดูเราจะดูเงี่ยหูฟังนะฟังแต่เราไม่ได้แสดงอาการสะใจหรือขัดใจให้เขาหรือเราจะมาลงตีโพยตีพายที่ลูกศิษย์ลูกหาอะไรประมาณเออคนนั้นเป็นยังไงคนนี้ไม่แต่เราดูดูเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาต่อไปอันนี้มันไม่สวยเนาะตลาดเขาไม่ชอบอันนี่ยสินค้าอันนี้ยังไม่ถูกไม่งามเออไม่ใช่เขาไม่เห็นนะ สิ่งที่เราพูดหรือเขาพูดไม่ใช่เราไม่เห็นนะแต่เราเห็นเห็นแต่ว่าเออมันยังแก้ไม่ได้เราก็ทาได้แค่นี้ส่วนสิ่งนี้เราจะแก้นะแก้อยู่คนว่าอื่นมาเห็นว่าเอออันนี้มันไม่งามเนาะเราไม่เราไม่โวยวายเราไม่ไปบอกเขาเออเราก็กำลังทำอยู่โอ้ยอันนี้เราก็รู้จักอยู่ไ ม, ไม่แต่รู้เห็นแต่ค่อยๆพัฒนาไป แต่โอ้เวลามันอกอาการเป็ น, นงวด น, นี้นีเออ่เขาก็เห็นมากคนนี้เป็นยังั้นคนนั้นเป็นอย่างไงค่อยๆพัฒนาไปเราในฐานะเป็นวิศวกรทํางาน อ, อคนนั้นมันติคนนี้มันติเอราก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆถื อ, อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอะ่ะคนติเราเรากําลังจะผลิตคนให้เป็นพระเป็นทีที่เหนือชีอะไเนี่ย เป็นพระที่เหนือพระก็คือทําไงจะให้เขาไม่เป็นทุกข์ทำไมจะให้เขาไม่สร้างลักษณะตัวตนให้คนว่าคนนี้สงบจังเนาะเนี่ยคนนี้เขาเรียบร้อยเนาะหลวงตาคนนี้เป็นคนมาจากไหนคนนั้นเป็นอย่างนั้ น, นอันไหนไม่มดีเราก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆอย่างเราเอามาเนี่ยอ้าว สิ่งที่เขาว่าคนนั้นเป็นยังไงเนี้เอาเก็บมาเก็บมาเพื่ออะไรค่อยๆแนะนำเอาค่อยๆนำเน่ค่อยๆนําเรานําด้วยเนะด้วยพาทําด้วย น, นํานะอ้าวไม่ทีไปทํางานปิดกวาญที่ตัวเอา้าอยู่ท่านี้ไม่มีใครเราสังเกตนะไม่ทีมัย่ยใครจะรีบๆขึ้นมาเราดูรีบไปว่าเราเรารีบไปละจะทะํานำปาญหะและจะโน่นจะนี่นะ คนนั้นเขายังไม่ได้มาเขายังไปทำงานน้นนี่คือมันมีจิตสำนึกลึกๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันเจริญเหมือนมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนสะธรรมิกต่อตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยโอ้คุณทำนี่มันเริ่มปรากฏเริ่มหอกเริ่มเงยเนาะกับคนนั้นคนนี้นะคือคล้ายๆว่าไปแบกเรื่องหนักๆก็ได้อะอันนี้มันแบกไม่ได้ บางทีดุด่าว่าเก่าวก็ร้องไห้ตายฟรีๆไม่มีประโยชน์อะไรบางทีฉันอย่าแสดงอะไรออกมาเลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ารออักมากชังมากเกลียดมากโกรธมากจนมันต้องว่าแก้ไขอะไรไม่ได้นะกูก็กูแบบนี้อย่าให้มันเป็นมันไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครทำให้เราหรอกนะถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเนี่ย บางทีแทนเราที่ว่าเออเราจะได้ไปโอ้วันนั้นแหละเราจะไปเออตอนนี้เราจะหนีมันอาจจะได้หนีหรือได้ไปเร็วกว่าที่ความคิดเราคิดไว้อ่ะนะแล้วมันก็เป็นลักษณะที่ว่าโอ้ไม่งามอยู่ก็ไม่งามไปก็ไม่งามไม่คิดดูนะองค์คุริ ม, มานเนี่ยยังอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่พระสงฆ์ได้อย่างคนที่น่ารัก น่าเคารพเพราะอะไรแต่ก่อนเป็นคนน่ากลัวแต่พออยู่แล้วท่างกัเป็นคนน่ารักคนนั่นก็อยากบินบาตเอามาส่งคนที่เคยบินบาตเอามาส่งขนาดองค์คุริมาเ น, นียังเปลี่ยนแปลงได้พวกเราทั้งหลายทําไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยแต่เราไม่รีบทํามันเนี่ยเอา้าเราจะเห็นตัวเองเลยนะเออรีบทำํำเราทํามันนี้มากๆเขาเออเริ่งมงุนงิดนะเนี่ยเริ่มเห็นตัวเองแนละ้วเออมีงุนหงิดด้วยนะ ชีวิตเนี้เอาไปทําอะไรที่มันมากมากหรือยุ่งยากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะรับไม่ได้ละมันหนักไหลหนักบา่าหนักอกหนักใจขึ้นมาเนี่ยเริ่มเห็นนะแต่ถ้าเราไม่แบกชีวิตหรือสติรู้ได้เมื่อภผ่มีอิเดียตหานราคาเข้ามารับไม่ได้มันหนักอกหนักใจเราดีใจเกินไปแล้วเสียใจเกินไปอย่างเงี้ยเราขี้เกียจเกินไปเราเบื่อเราไหนบรรยากาศอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละอันนั้นคือตัวสแกนชีวิตเรา ต้องรู้จักนะว่าจะเอาจากมันยังไงต้องพัฒนานะชีวิตมันไม่ได้มากมายหลากหลายนะแล้วมองว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้เห็นเราสําคัญอะไรเลยเราก็เป็นเพียงก้อนทุกก้อนหนึ่งที่จะให้เมาอเอาใจคนนั้นคนนี้ต้องห่วงหาอะไรไม่มีนะแล้วตัวเราเองก็ต้องมองเห็นแบบนั้นนะ่ะในความเห็นว่า เ, ออเราไม่ได้เป็นคนสําคัญอะไรนะเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ย เขาไม่ใช่พ่อเราเนี่ไม่ใช่แม่เรานะมันก็เหลือไปแล้วเออเหมือนเรายืมชีวิตเข้ามายืมสติยืมปัญญายืมสถานที่ยืมอาหารเขาเพื่ออะไรเพื่อทําความเปลี่ยนให้ถึงที่สุดทุกนี่เองทีนี้ในขณะที่อยู่กับเขาเขามีอะไรทํา อ, อ่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งอยู่ดักรู้ได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกหลานท่านเล่นนี่เขาสอนให้คนมีคุนทำนะเราควรจะพัฒ น, นาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยเราก็ทําเนี่ยนะไปอยู่บ้านคนนี้เออไปอยู่บ้านถูบ้านเขา ไปอยู่บ้านเขาดูแลลูกหลานเขาดูว่าดูไขให้เขาอะอย่างเงี้ยเอา้าอยู่ในวัดเราควรทําอะไรให้วัดเราก็ทํานะไม่ได้หมายว่าเราไม่ดีหรือดีนะในวัดเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่มาตรฐานมันก็ควรจะมีนะแต่ละคนที่มาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายว่าเออสิ่งที่ทําเนี่ย เป็นโลกียะไม่ใช่แต่เป็นเครื่องชี้ไปทางโลกุตระคนไหนขัดเก้าตัวเองก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาไปเริ่มดีขึ้นอันไหนเป็นโลกุตระและชี้แนวชี้แนวชี้ทางไปสู่การขัดเกาแบบไม่มีตัวตนได้นั่นแหละคือสัจจะถ้าเรามองเป็นนะชีวิตเนี่ยมันก็จะเข้าใจแะก็สามารถแก้ทุกได้ แต่ถ้าเรามองไม่เป็นไม่เห็นตัวเองสักทีมันก็พิจารณิพิจารณาตัวเองไม่ได้<ม>เอาไปมาคนอื่นก็ช่วยขัดช่วยเกา่าคนนั้นขัดเกาก็าแวงกัดคนนี้ขัดเกาก็าแวงกัดคนนั้นเป็นยังไงยังกุมหมาวางที<ม>ชีวิตเนี่ยหมาธรรมดาก็ยังช่วยกันเป็นหมาบ้ากัยิ่งยากเข้าไปอีกนะฮันต้องศึกษานะทุกอย่าง เราจึงเป็นผู้ศึกษาเป็นนักศึกษาที่บอกที่กล่าวแต่ละวันเนี้ยบอกให้มันเป็นนักศึกษานักศึกษามีไหมล่ะครูเขาให้เรียนนะครูไม่อยากเรียนอ น, นี้กูไม่อยากเรียน น, นั้นทั้งโลกปฏิเสธได้แต่ทั้งทรรมก็คือชีวิตเราทั้งหมดนะเนี้ยเอากราบพระ